ยาอย่างตันหาพโนภวิกานันิราคะสหัคตาตตรตักตราับนันดนีตันหานี้มีความเกิดขึ้นอีกเป็นปกติประกอบด้วยความกำหนัดตันหาเกิดขึ้นอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลินความเพลิดเพลินมัก เพลินจิ้งในอารมณ์นั้นๆมะเพลินจิ้งในอารมณ์นั้นๆบทบาลวายายังตัญหาโพโนพวิกานันดินันดิรากะสหกะตาตตรตตราภินันดินี่ตัญหาคือความทยานอยาก มีความเกิดอีกเป็นปกตินันดิราคะสากตาประกอบด้วยความกำหนัดตรตสราเป็นนันดิ์นี้ด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินมักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นี่คือตังหา เพลินเพลินแล้วกเผลอเพลินแล้วเผลอเพลินแก็เผลเกิดทีไรเมืเ่ อ, อไรประกอบด้วยความกำหนัดความกำหนับกายคือความไข้ทางกายความกำหนักจิตคือความยินดีทางจิตใช้คาว่าความกำหนักเหมือนกันพระ ค, คือความกำหนัด มันเป็นกิิยาที่ละเอียดต่อนเราสังเกตเราจับได้ตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดที่สุดในใจของเราคือความกำหนัดมันมีคำคำเดียวคือราคะราคะคือความกำหนับความยินดียินดีมากยินดีน้อยยินดีกับเรื่องหยาบยินดีกับเรื่องละเอียดใช้คาว่าราคะ แปล ว, ว่าความกำหนับความกำหนับคือราคะราคะคือความกำหนับ ก, การเกิดตัณหาเมื่อตัณหามีมีความเกิดอีกเป็นปกติเมื่อตัณหามี มีความเกิดขึ้นอีกเป็นปกติเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งของมันก็คือความกำนังเราสังเกต <c oughs> ออกไม้กิริยาของมันและความกำนังเป็นกิริยาของมันและความกำนักงกำนังด้วยอำนาจของความเพลินความเพลิดเพลิน กำหนัดด้วยเพลินด้วยกำหนัดด้วยเคลิ่อเพลินด้วยเคลิ่อเพลินยิ่งด้วยในอารมณ์นั้นๆคือตัณหามันเพลินเพลินเินเพลินเพลินละนะเพลินเพลินเลินเพลินละเพลอก็คือมันยิ่งปรุงหนักเข้ามากเข้าไปอีกเพลอยิ่งปรุงหนักเข้าไปอีกเพลอยิ่งปรุงหนักเข้าไปอีก ปรุงถึงที่สุดของมันคือความปรุงด้วยอำนาจของตังหาเนี่ยเช่นอยากอยากอะไรอยากกินข้าวเนี่ยปรุงแล้วปรุงอีกปรุงถึงก๋วยเตี๋ยวปรุงถึงมาม่าปรุงถึงตำปะฮุงเนี่ยปรุงุงปรุงปเหลอเหลอแล้วเพลินเพลินปรุงไปเพลอแล้ว เพลอคืออะไรรวมตัวให้กับมันแหละลุก ป, ปุ๊บ ป, ปั๊บไปลไปหุงไปต้มไปไปตาไปอะไรกินแล้ว<ม>นี่มันเพลินเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั่นนั่นะปรุงไปจนสาเร็จอยากอ่านหนังสือนั่งพ้าหนาอะนั่งเานาอย่างสบายสบายเอ๊ะตัญหาคือความอยาก อยากดูหนังสือนั้นอยากดูหนังสือนี้กันหนอยเลินเพลิ่ว อ, อ, อ้าหยุดแล้วเดินโทรลูโทร ล, ไลูไปละไปหยิบหนังสือมาดูลนะน่นี่คือมันปรุงกนถึงที่สุดของมันะมันาพาเพลินเพลอ่ลออย่างยิ่งในอารมณ์นั้นนั้นจนสบับแต่ละอย่างแต่ละอย่างคําว่าตัณหามันไม่ใช่เกี่ยวกับ กามตันหาอย่างเดียวราคะตันหาอย่างเดียวไม่ใช่เกี่ยวกับความต้องการของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรหรือบางทีไม่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนพยายามกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้จับสายหูสายตาเราจนได้ชอบอะไรชอบอะไรชอบอะไรพยายามปรุงปรุงุงรุ ง, ร ง, รงนะจนถึงที่สุดของมันจนได้ือ คิดถึงอะไรคิดถึงสมอคิดไปคิดมาน้ําย่อยไหลจ้าคิดถึงสมอนะคิดถึงขามป้อมคิดถึงสมอคิดถึงอะไรคิดถึงมะขามมะขามอ่อนเนี่ยจิ้มเปลือเนี่ยคิดไปคิดมานี่น้ําย่อยไหลจ้าขึ้นมาและว ตอนนี้ยังไม่สําเร็จต้องลุกไปลุกไปเก็บลุกไปหยิบมากินแหละนานมันปรุงจนเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นนั่นเนี่ยเขี่ยมหน้าของตัณหาทีนี้เวลามันเกิดแล้วมันเกิดยังไงมันเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบให้กับมันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือประกอบให้กับมันมันก็เพลินแค่นี้แหละ เกิดที่ตาเกิดที่รูปเกิดที่ตาก็ละที่ตาเกิดที่รูปก็ละที่รูปทําไมจะละได้ถ้าเราไม่ทันมันมันไม่ทันมันทําไมจะละได้มันละไม่ได้นี่เรื่องมันนี่คือตัวเสียเปรียบมันแหละเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้เท่าแล้วก็ไม่รู้ทันในเมื่อไม่รู้ทันมันก็ไม่รู้เท่าเมื่อไม่รู้เท่าก็คือไม่รู้ทัน จิตของเรามันช้ามันไม่รวดเร็วมันไม่ว่องไวมันไม่ทันรู้เท่าทำใจให้รู้เท่าโอ้มันมีอยู่ตามเรื่องของมันโอ้มันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้โอ้มันมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นโอ้มันจะต้องเป็นอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้โอ้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้น นี่เขาเรียกว่ารู้เท่าทําใจให้รู้เท่าใครเคยฝึกตรงนี้ใครเคยเข้าใจตรงนี้จะรู้ได้จะเข้าใจได้ทําให้ใจรู้เท่าก็เหมือน<ม>เราพยายามกําหนดจดจ่อสติของเราโรวอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งพยายามทําความรู้เท่ามันเนี่ยอ<ม>เหมือนอย่างอะไรอะ่ะเราจะเห็นอะไรเราเห็นเราเห็นอะไรเราเห็นหนู หนูตายตัวหนึ่งสมมุติ น, นะหนูตายตัวหนึ่งกําลังขึ้นอืดแมงวันกําลังตอมแมงวันกําลังเจาะ ป, ปล่อยลูกะปล่อยลูกแมงวันลูกแมงวันกน็นุ่นน่ะหนอนนั่นแหละปล่อยพดพดพดพดดพดไปเจาะตรงนั้นเจเาะตัวนี้เจาะเยอะๆที่แรกเราก็ไม่น่าดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินแต่เราพยายามดูทําใจให้รู้เท่ามันพร้อมกับดำรี โอนอนก็คือนอนคือธรรมชาติของนอนเน่าก็คือเน่าธรรมชาติของเน่าเปรยก็คือเปื่อยธรรมชาติของเปื่อยนะกลิ่นก็คือกลิ่นธรรมชาติของกลิ่นเรานั่งพิจารณากระหมดจดจ่อทำความรู้เท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าใจมันรู้เท่าหมายความว่ามันมันมันยอมรับยอมรับภาวะที่มันเป็นอ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันมันเป็นอย่างนั้น มันมีอยู่งั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นยอมรับตามภาวะที่มันเป็นนี่เขาเรียกว่ารู้เท่าพอเรารู้เท่าปั๊บแม่มันทันตัญหาไปในขณะเดียวกันแทนที่มันจะยุ่ให้เราเกลียดหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าเสียดหน้าเสียเอียนเตะทีบโยนนะให้พ้หน้าพ้ น, ะนาตาพ้นจมูกผลอะไรไปมันทำความรู้เท่า มันก็เลยทันตัญหาแน่ตัญหาไม่มีฤทธิเดชอะไรที่จะมาทําให้เราต้องไปเคลียร์ต้องไปขัดข้ออะไรกับสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นเราก็คือเรามันก็คือมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่นี่คือตัญหาตัญหามันเกิดมันเกิดอย่างนี้มันเกิดมันเกิดพร้อมกับความกําหนังเกิดพร้อมกับความเพลินนี่ นันทิราคัสสากตะประกอบไปด้วยกันเลยสากตะสากตะสากตะประกอบไปด้วยกันมันเพลินไปด้วยกันมันเป็นองค์ประกอบเป็นอันเดียวกันไปเลยเนี่ยเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเราเราดูอย่ารเราดูใยไรรู้จะ้ะยังไงใช้รู้เท่ารู้ทันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติฝึกปัญญาฝึกสมาธิสติปัญญาให้รู้ ให้แน่นหนามันคงให้รู้เท่า <oms. S 1> ให้รู้ทันมันมันเกิดมันเกิดที่นี่เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่กายที่ใจเกิดที่วิญญาเกิดที่ผัสสะเกิดที่เวทนาฮะเกิดที่สัญญาความจังเกิดที่สัญเจตนาสัญเจตนาตัวนี้ท่านแปลว่าความคิดถึงสัญเจตนาตัวนี้นะเกิดที่สัญเจตนาจกคุ้สัญเจตนาอ่า รูสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคานากันทะสัญเจตนากันทะกันทะคือกลิ่นรสสัญเจตนาะ佛陀สัญเจตนาธรรมสัญเจตนามันระลึกมันนึกมันคิดทุกกิริยาการของจิตที่เกิดขึ้น มันพร้อมที่จะแทรกเข้ามาได้ทุกขณะจะเป็นกิริยาของการตรึกวิตกจะเป็นกิริยาของการตรองประคองคือวิจารณ์ถ้าเผลอให้มันสวมรอยเข้ามามันพร้อมที่จะเกิดได้ทุกกิริยาอาการของจิตที่ความรู้วิญญาณเกิดความกระทบรู้ทางตาเกิดผัสสะรู้ทางตา เกิดทางเวทนาเวทนาเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเกิดที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสเกิดที่เวทนาพร้อมที่จะเกิดได้หมดเกิดที่สัญญาคือความจำจำนั้นก็พร้อมที่จะเกิดจํานี้ก็พร้อมที่จะเกิดถ้าเราขาดสติขาดสัมผัจัญญัไม่รู้เท่าทันมันมันพร้อมที่จะเกิด เกิดที่ความคิดถึงที่รีว่าสันเจตนาเกิดที่ความอยากนี่คือตัณหาคือตัวตัณหาอยากอยากเห็นนู่นอยากเห็นนี้อยากเห็นนู่นอยากเห็นนี่มันก็แปลทับศัพท์น่ยตัณหาก็คือความอยากความทะยานอยากความดิ้นรนความทะเยอทยานความทะเยอทยานความทะยานอยาก สันเจตนาตันาแล้ ว, วก็วิตกตกความตรึกวิจารณ์ความตรองทั้งตรึกทั้งตรองกิริยาทั้งหมดมั น, มนก็ไปจากส่วนประกอบอยายตนะภายในห อ, ยอยนายตนะภายนอกหกคำว่าอยายตนะภายในมันมีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเช่นอย่างตามีอยู่ที่ตัวเราหูหูเราจมูกเราลิ้นเรา กายเราคําว่ากายหมายความว่าประสาทสัมผัสทางกายใจของเราเนี่ยนี่อายตนะเป็นเครื่องต่อภายในที่มันมีอยู่ข้างในมันมีอยู่ข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพตภธรรมารมณ์เป็นเครื่องต่อข้างนอกมันจะเกิดจะเกิด ท, ที่ที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดที่วิญญาณเกิดที่ผัสสะเกิดที่เวทนา มันพร้อมที่จะสวมรอยมาได้ทุกกิจยาอาการอาการการเคลื่อนไหวการกระดุกกระดิกพิกแผลของจิตมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าหามันเล็ดลอดออกไปจากอํานาจของสมาธิของปัญญาของสติกับหมดจดจ่อหลุดออกไปจากอํานาจของสติของสัมัญญะยีริโอตปาแล้วกัปัญหาพร้อมจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทุกทุกช่องทุกทาง จบลงมาก็สิบมวนนะมวลละหกมวนละหกหกสิบเป็นหกสิบคิดดูสิไอแค่ห้ช่องเนี่ยไอแค่ช่องเดียวเราก็เอามาอยู่แล้วช่องใจช่องเดียวเราก็เอาไม่อยู่แล้วเราไม่ต้องไปพูดถึงช่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่ช่องทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นทั้งหกสิบพอเวลาเราสํารวมเข้ามาเนี่ยสํารวมใจอย่างเดียวมันอยู่หมดอยู่ทั้งหมดอยู่หมัดหมดสรวมมาที่ใจอย่างเดียวเนย ทั้งหกสิช่องเนี่ยมันอยู่หมดอยู่ในหมัดเราหมดเขาว่าอยู่หมัดไหมเพราะว่ามันดับมันเกิดตรงนั้นมันดับมันกระดับตรงนั้นอการที่เราจะซ้ำรอดเอามันออกโดดไม่เหลือเพื่อสละเพื่อปล่อยวางในทหารเหล่านั้นในทหารเหล่านั้นนั้น ม, มันจะละมันจะละก็ละที่ตาละที่รูละที่หูละที่เสียงหมายความว่าในเมื่อมันไม่เกิดในเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่จาเป็นต้องละแต่ถ้าเมื่อมันเกิดแล้วรู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วอ๋อเวลาจะดับก็ดับตัวที่เกิดตรงนั้นแหละเกิดตรงตาก็ดับตรงตาเอาอะไรเป็น ตัวยืนรองในการไปปฏิบัติเพื่อที่จะดักมันเพื่อที่จะละมันสติความตื่นโรูของจิตความตื่นรู้ของจิตความชัดเจนของจิตความสว่างสวยของจิตด้วยสติด้วยสัมผชัญญาด้วยสมาธิตื่นโรูสว่างสวยอยู่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นอยู่หมดอยู่หมัดได้หมด พร่พุทธเจ้าท่านจึงให้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรเอาสติเป็นบาตเป็นฐานในการพิจารณาเพื่อดับตัณหาตัณหาตัวเดียวมันกระจายไปทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสทั้งก็งเรียก อ, อวิชชาทั้งก็เรียกโอคะทั้งก็เรียกความโลภความโกรธ ความหลงอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งก็เรียกเรียกชื่อไปต่างๆกันมันก็ไปจากตัวนี้ตัวเดียวตัวความอยากดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นพยายามสังเกตสังเกตจับดูตอนนี้เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เราก็จะเริ่มเห็นจะเริ่มรู้จักมันเวลาเราจะต่อกอนมันเราก็จะได้ต่อกอนให้ถูกต้องจับตัวมันให้ได้จับตัวมันให้ถูกกันหมดจุดจออยู่ที่เนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยม ตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมตัวสติธรรมตัวปัญญาธรรมตัวสมาธิธรรมสิ่งที่ประกอบไปด้วยวิริยะอุสาหะความอดความทนความขยันมันเพียรความพอใจฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาอย่างนี้ประกอบและล้อมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ งั้นเราเ็าไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ทันไม่เข้าใจปฏิบัติปฏิบัติปฏิบั ต, บติเอาเท่าไหน؟นั่งพระ น, นู่งวาดสวรรค์วาดวิพนิพา น, ว า, นวาดนู่นวาดนี้ถ่ามันลุถามู๊ทำอะไรกลายเป็นก้อนเป็นก้อนก้อนเป็นแท่งแท่งเป็นอย่างนั้นหรือทำคืออะไรเป็นอะไรเข้าไปรู้ได้ยังไงเข้าไปเห็นได้ยังไงมีความวิจิตพิสดาร อย่างนั้นอย่างนี้อัศจัย์แก่ใจอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะเกิดมันก็เกิดตรงนี้มันไม่เกิดที่ไหนเราอย่าไปสงใจเลื่อนลอยไปจามรูปปณิมิต่เราคาาเราดาเราหมายว่าอันนั้นจะเป็นอย่างั้นอันนี้จะเป็นอย่างนี้เราเลยไม่รู้จักที่ทางานที่ทางานมันอยู่ตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้ เราพยายามตั้งอกตั้งใจพิจารณาดูโยตซาเยวะกันห้ายะอเสสวิราคันเโรโทจางโกปัติิสังโกมุตติอนาเลโยความสําร้องและความดับโดยไม่เหลือสําร้องหรือดับโดยไม่เหลือความสลักความสลักความส่งคืนสลักสลักส่งคืนหรือปล่อยวาง เราจะเรียกกิริยาใดๆก็คือกิริยาที่เราพยายามรู้ทันมันทั้งนั้นกิริยาทั้งหมดเป็นกิริยาที่เราจะรู้ทันมันความไม่อาย ร, รู้จักไหมคําว่าอ้ายมันอ้ายมันอ้อยอิง่งเหมือนของรักของสงวนของเราที่เราหึงเราห่วงเรารักเราสงวนเนี่ยมันอ้ายมันอ้อยอิง่งเนี่ยนอนาลโย ความไม่อะไรในสหานมันนั่นันนใดนถ้าก็บอกที่ที่เกิดถ้าก็บอกแล้วที่ดักถ้าก็ดับอยู่แล้วมันเกิดเวลามันเกิดมันเกิดได้ยังไงมันมีความเกิดเกิดขึ้นอีกประกอบไปด้วย ความกำหนับประกอบไปด้วยราคะคือความกำหนับนันทิราคะสาคตาตระตระพินันดินีเพลินยิ้นเพลินยิ่งจิ้นสามารถทําให้อารมณ์เหล่านั้นสําเร็จตามจิตที่เราต้องการตามจิตที่เรา mong นันทิราคะสาคตาตระตระพินันดีนี้คือว่าเสยียที ด, ดัง นั่นคืออะไรเป็นอะไรการมาตาัตันหา้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าในคํามจั ก, นกรนมาสวดกามัตันหารักชอบเกี่ยกัเรื่องวัตถุ ก, การมเท่าไหร่ทั้ ง, งปวงภาวะตันหาอยากอยากเป็นอยากเป็นเพราะความมีความเป็นวิภาวะตันหาความไม่อยากไม่มีไม่เป็นอยากไม่มีไม่เป็นเราฟังยากเหมือนกัน อยากไม่มีอยากไม่เป็นคือความรู้สึกของเรามันปฏิเสธสิ่งที่มันมีแล้วเอ้ยมีอย่างนี้เราไม่เอาเราไม่ต้องการไม่ต้องการเช่นต้องแก่ไม่อยากไม่อยากแก่ต้องเก็บไม่อยากเจ็บไม่อยากวิโยคไม่อยากพลาดพไม่อยากตายทั้งๆที่มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บเจ็บจะต้องตายแต่มันไม่อยากคือมันอยาก อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราฟังดูที่นี่คือวิปปะตัหาอยากมีอยากเป็นอยากมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอำนาจนี่คืออยากอยากเป็นเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่พอก็อยากเป็นอยากเป็นผู้ใยญ่อยากเป็นคำนันอยากเป็นสอสออยากเป็นอบตอย่างเงี้ย อยากเป็นผัวอยากเป็นเมียอยากเป็นสามีเขาอยากเป็นภรรยาเขาเงี้ยก็คืออยากเขานันแหละความอยากตามตัณหาพราวะตัณหาอยากเป็นยุบภาวะตัณหาหิวข้าวอยากดูหนังอยากดูรูปนี่ก็อยาก ย, ยึดในรูปยึดในรสยึดในกลิ่นยึดในสัมผัสยึดในธรรมารมณ์อยากมีความอยากในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของการตัณหาเพราะว่าตัณหาแต่วิธีปฏิบัติเราหมดจะไปไล่แบบนั้นเรามาไล่ไล่เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเฉยแต่วิธีปฏิบัติเราไปจอดูที่ใจของเราเรา ทำความรู้จักกับความอยากตัวเดียวเนี่ยมันจะเริ่มรู้เรื่องมันจะเริ่มได้ผลขอให้มารู้เท่าทันความอยากในใจของเราเี่สติของเราจะเริ่มดีขึ้นอยากในทางที่เป็นธรรมก็ให้รู้ทันอยากไม่ทางที่เป็นกระเบิดให้มารู้ทันให้มารู้ทันรู้ทันความอยากเหล่านั้น อยากที่เป็นธรรมเป็นมั่นเรายิ่งเกิดความรู้เท่าทันความอยากที่ชอบโดยธรรมพักยิ่งจับยิ่งยึดยิ่งตั้งใจยิ่งเก็บยิ่งสะสมยิ่งบำเพ็ญยิ่งขวนขวายจากในธรรมอยากได้อาได้ธรรมอยากมีสมาธิอยากมีปัญญาอยากได้นิพพานอยากวิมุตติหลุดพ้นความอยากเหล่านี้ทําให้เรารีบเร่งขวนขวาย ความอยากอย่างนี้เป็นมัจไม่ใช่เป็นกิเลสอาศัยความอยากอย่างนี้มากๆชนะความอยากตามอำนาจของกิเลสอยากผิดศีลอยากผิดศีลอยากผิดธรรมอยากผิดระเบียบระบอยบกฎหมายบ้านเมืองปีนเกี่ยวกับขนบรรมรำเนียมประเพณีที่ดีงามเรียกโดยอำนาจของตังขา จบแล้วก็คืออยากกับรูปกับเสียงกับเลี่นกับรบกับสัมผัสนี่เป็นยอดของความอยากความอยากแบบนี้เป็นอำนาจของกิเลสความอยากทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากหัวใจของเราเป็นความอยากโดยธรรมที่สําคัญที่สุดขอให้เราทันความอยากมาสำคัญเราไม่ทันอะไรมาจัดหมดอะไรมาจัดหมดอะไรมาเกาะหมดอะไรมาเกาะหมดอะไรมายึดหมดอะไรมายึดหมด นี่คือไม่ทันเรานั่งสองชั่วโมงกว่าเรานั่งกันสองชั่วโมงกว่าเห็นนั่งนงี้ยมีใครในั่งท่าเดียวได้ตลอดบ้างฮะ ไม่พลิกไม่เปลี่ยนแล้วพูดถึงเราเราพูดถึงนั่งก่อนเราไม่ต้องพูดถึงประจิตอยู่แล้วไม่อยู่ยังมาถามประจิตอยู่แล้วไม่อยู่นั่งนั่งคิดนั่งปรุงถามว่าใครนั่งอยู่ท่าเดียวตลอดฮะบางคนทําได้นั่งกรยิมยิ้ ม, ย, มย่อง เบาโปรกยกระยิมยิมย่องมันจะเหาะมันจะบินแล้วก็ที่ทําไม่ได้อะทําไงที่ทํำมัได้อหยับเข้าหยับออกหยับเข้าหยับออกนั้นแหละทำไง <c oughs> เราไม่ได้ทํางานไม่ได้ตั้งใจทํางานถูกมันแทรกเข้ามาถึงหัวใจะเรบทุกระยะทุกเวลารู้ไม่ทันมัน รู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันรู้เท่าที่มันเป็นรู้เท่าที่มันมีเจ็บรู้ว่ามันเจ็บอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือรู้เท่าก็เริ่มรู้เท่าพอเราเริ่มรู้เท่าปั๊บตัณหามันไม่สวมรอยก็ทันทันตัณหามันสวมรอยไม่ได้มันแทรกเข้ามาไม่ได้แค่สองชั่วโมง สามชัม่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครึ่งคืนลองดูสิครึ่งคื น, ลคคนเลยครึ่งคืนไปตลอดคืนจนแจ้งไม่พลิกไม่เปลี่ยนนั่งทิ้งไปหมดเลยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ต, ต่อสู้ขนาดไหนจิตใจทำได้ขนาดไหนระดับไหน มันถจะเป็นอย่างนั้นได้กับจิตใจของเราเหมือนจิตใจเ้าเรียกอะไรอ่ะจิตใจขี้แยจิตใจอ่อนแอจิตใจขี้แยไม่อดไม่ทน ขาดความอดขาดความทนขาดความเชื่องความชินกับอารมณ์เหล่านี้ยอมแพ้มันตลอดอ่อนไหวใจเปราะใจสับใจเบาใจไม่หนักแน่นสรพัดว่าอย่างนั้นถูกผลดก็เราคนเดียวนี่แหละเราฝึกไปแล้วเราจะได้รู้ อ๋อตอนนั้นเราอย่างนั้นตอนนี้เราอย่างนี้ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราดูผู้ที่ท่านแก่จริงๆปล้าจริงๆสระได้วางได้ขาดทำลายอะไรหมดเยื่อใยไปจากหัวใจเรารู้จริงใจขนาดไหนหัวใจของท่านเนไหมละเอียดอ่อนขนาดไหน แล้วว่าเทียบกับพวกเราเนี่ยหยอกยอกแย่ยเนี่ ย, ย, ย, ย, ย, ยเอามาเทียบดูมันยิ่งกว่าอนุบาน อ, อียทําไงเอาอนุบานไปเทียบกับด็อกเตอร์ดูมันต่างกันขนาดไหนแล้วดูทาไมมันห่างกันเกินฟ้ากับดินเราก็มาวิจัยวิจารณให้กับตัวเองบ้าง เราจะได้ขุดจะได้คุยจะได้คน้นจะได้ตั้งอกตั้งใจจะได้พลิกแผลงเปลี่ยนแปลงตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมตั้งใจอดตั้งใจทนเอาเป็นเอาตายเข้าใส่เข้าแลกไม่ถึงขั้นนั้นไม่ได้อะไม่ถึงขั้นนั้นไม่ได้แล้วโมจห่วงบอกนู่นห่วง น, น, วงนี่ห่วงเจ็บห่วงปวดห่วงนู่นไม่ได้ อยู่เฉยๆไม่ยอมรับสัจจ์มันจะไม่ได้อย่างไงทํำยังไงเราจะยอมรับสัจจ์เขาได้สัจจ์ทุกษัตริแหละทําไมเราจะยอมรับได้ดูยังไงมันจะทันมันพิจารณายัางไงจะรู้เท่ามันเหมือนอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างอะไรเมื่อเห็นหนูตาเห็นแมวตาเห็นสุนัขตายเนี่ยกำลังอืดพอแมงวันจบ นอนเจาะโยยะโยยะโยยะเราก็ดูไปที่นอนโอ้นอนเป็นธรรมดาออคือเป็นธรรมดาเน่าเป็นธรรมดาโอ้กลิ่นเป็นธรรมดาการที่เราทําใจได้อย่างนี้หมายความว่าใจของเราในยอมรับกับธรรมชาติที่มันเป็นรู้เท่า รู้เท่าที่มันเป็นยอมรับเท่าที่มันเป็นอในเมื่อเรายอมรับได้เรารู้เท่าได้มันทันตันหาท่านมักจะใช้คําว่ารู้เท่ารู้ทันถ้ามันรู้ไม่เท่ามันไม่ทันปุ๊บปบตันหาสวมรอยแล้วโว้านะเดือโอ้สีเสียนทนดูไม่ได้อะจะเป็นลมจะช็อกจะตายมันสู้มันไม่ได้เอ้ ทำใจของเราให้รู้เท่าสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดอยู่เฉพาะหน้าเราเรามานั่งดูนั่งพิจารณาดูทําใจให้ดูให้เป็นเห็นเป็นธรรมชาติหัดเริ่มหัดฝึกหัดให้เกิดความรู้เท่านับตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆรายที่น่าเกลียดที่สุดขี้ทุกแกเอา้าขี้ทุกแกปกติขี้ทุกแกเนะี่ยไอตัวที่มันเละ มันเละเ ล, เ, ลเหมือนเหมือนอะไรอ่เหมือนน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บอ่ะไอตัวที่มันเล่นเลอะอ่แล้วก็ดำดแล้วก็อะไรต่วอะไรเนี่ยดูโอ้ขี่กบแก่บาที่ก็ชอยกลิ่นไม่ทำความพยายามทำความรู้เท่ามันอ๋อมันมีอย่างงี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันนั่นคือธรรมชาติของมัน อนี้คือธรรมชาติของมันพยายามจับเอาใจของเราไปจับอยู่กับธรรมชาติอันนี้เริ่มดูของเล็กๆน้อยๆมาเริ่มดูของปฏิกูลเราที่ฟันของเราเนื้อเน่าติดอยู่ที่ฟันแหมนกลิ่นที่ตาที่จมหูเงี้ยที่ถาวรหนักที่ถาวรเบาเงี้ยเราไม่ชักไม่ล้างดู ลงไปสองนาทีห้านาทีสิบนาทีไม้นไปเนี่ยแม้นวันนักก็ยิ่งรุนแรงกว่า น, นั้นเราพยายามดูแล้วก็ทาความรู้เท่ากับธรรมชาติที่มันเป็นทําความรู้จักธรรมชาติที่มันเป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นจริงแล้วไม่จริงเอามือไปขูดมาแล้วก็มาดมดูโอ้มันเป็นอย่างนี้เอง กินอย่างนี้แต่เราให้ความสําคัญว่าเหม็นอดไม่ได้ทนไม่ได้เราให้ความสําคัญกิเลสมันพาสําคัญว่าเหม็นมีการฝึกเปิดซ่วงใครไม่เคยเห็นซ่วงเปิดซ่วมเน่ะซ่วมเนะ่ะถังซ่วมเน่ะเวลาเขาดูดซ่วมเน่ยก็เปิดถังซ่วมก็ดูโยเยโยเยโยเยโยนอนยุบยับยุบยับชุดไปดูฮะ ใครยังไม่รู้จักไปหาเปิดซ่วมตัดเปิดแล้วก็ไม่พอตัดกลิ่นมันฟุ้งขึ้นมาโอ้ธรรมชาติของมันทําความรู้สึกศึกษาดูข้างนอกแล้วก็มาดูข้างในดูข้างในแล้วก็ไปดูข้างนอกทําความรู้เท่ารู้ทันไม่ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาถึงหัวใจของเราเนี่ยนี่เราเปรียบเทียบอย่างนี้เพื่อเพื่อให้พวกเราเข้าใจคําว่ารู้เท่ารู้ทัน ตัวเดียวตัวไร้กาตัวนี้แหละที่เราเอากำมันยากเล่นกำมันยากมากเพราะมันอยู่บนหัวใจของเรามารู้จักกีกับกีการกีเรชาแล้วนะไม่เคยสนใจย้อนมาดูมันนะย้อนไปดูเห็นนะเจ้าตัวความอยากตัวนี้ในเวลามันโผล่ขึ้นมาเมันอยากกับอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเรามาศึกษามันดูนี่แหละที่กําลังพูดนี่แหละทำยัยไม่ให้มันเกิด มันเกิดแล้วละยังไงทำยังไงเครืค่องไม้เครื่องมือชั้นเยี่ยมรำมีทุกคนปลุกจิตของเราให้ตื่นด้วยสติด้วยสัมผัสจันยร์ให้มันโกรอยอยู่ตลอดมันโผรขึ้นมาไม่ได้เพราะมันทันมันรู้มันมันรู้เท่ารู้ทันเสร็จแล้วก็พิจารณาเสริอมกาไปรู้เท่าให้รู้ทันเนี่ยด้วยอุบายอย่างนี้ มันละความโลภได้ละความโกรธได้เพราะมันทันเนี่ยตัณหาทำให้โลภทำหาทำให้โกรธทำหาตัณหาทาให้ราคะเรื่องที่เราฝึกเราทันมาแล้วเนี่ยมันเกิดไม่ได้มันโผล่ไม่ได้เราไปฝึกไปซ้อมดูไปฝึกไปซ้อมดูเราใช้บทพิจารณาเหล่านี้ มันเป็นได้ทั้งสมถะเป็นได้ทั้งวิปัสนาให้สงบให้สังเวชนี่แหละคือปัญญาคือความฉลาดกับหลักธรรมชาติอยู่ในหัวใจของเราต้องมีบททดสอบอยู่ในหัวใจของเราฝึกท้อมอยู่อางนั้นพิจารณาอยู่อย่างนั้นดูอยู่อย่างนั้นอ่าหรือจะไปหา ด, ดูของที่รักซะก่อนก็นได้ของที่น่ารักน่าชอบ อ่ามันมีของไม่น่ารักไม่น่าชอบพวกปินพวกอะไรตัวอะไรไม่น่ารักไม่น่าชอบของเปื่อยของเน่าอันนี้เราไม่น่ารักน่าชอบเราไปดูของที่เรารักเราชอบเช่นอะไรเสื้อตัวนี้ผ้าตัวนี้ของใช้ตัวนี้ใช้ถูกปากใช้ถูกใจเหลือเกินดูความอยากในใจของเราที่มันไปกาอนั่นนะมันไปกาอมันไปเจาะมันไปผูกพันมันมัน มันอะไรมันต้อยมันอิ่งมันอะไรในหัวใจแหมมันกรลิมกะเรียอยู่ในนั้นอ่ะเราดูในหัวใจของเรานี่เราดูของที่เราหน้ารักดูของน้าชังก็คือพวกเปื่อยพวกเน่าพวกอะไรแ่อะไรเราพยายามหาดูเราจะเห็นตัวมันออกมาออกมันออกมากินเหยื่อของมันเราเย็นตัวที่มันออกเหยื่อมากินเหยื่อของมันบางทีไม่เกี่ยวกับของหน้ารักไม่เกี่ยวกับของน้าชัง แต่อาศัยว่าโมหะมันครอบจิตของเราทําให้จิตเรามืดตึ๊บหน้าเกลียดหน้าเบื่อหน้าอะไรต่ออะไรอ่มันไม่เกิดแต่มันหลงเหมือ น, เ, อ น, นเราเมื่อกลามืดเนี่ยมืดไม่รู้ว่าไม่เห็นไม่เห็นโน้นไม่เห็นนี้นไม่เห็นสีไม่เห็นอะไรแต่มันมืดตึ๊บมันไม่เห็นอะไรเนี่ยดีโมหะมันครอบ แต่ถ้ามันตื่นรู้ตัณหาแซรกโอ้เห็นอันนี้เป็นนี่ น, นี่อันนี้ดีอันนี้ชอบใจะงะแป๊บเดียวมันเร็วแป๊บเดียวเร็วมากเราดูเราดูแต่อาหารมันเร็วขนาดไหนอาหารมันเร็วขนาดไหนศาสรสายตาดูปาโอ้อันนี้ถูกใจ <laughs> อันนี้แซบ่บ <laughs> อันนี้แซบ่บอันนี้อร่อย ดูปั๊บเนี่ยแน่ใช่ไหมเร็วมันเร็วเร็วา่าชอบใหญ่ดูของชอบใหญ่เห็นดูเจ้า ต, ตัวความอยากที่มันออกไปค่อยดูค่อยดูค่อยเห็นมันมันเห็นมันรู้โดยปัญญาปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่มีตัณหาสวมรอยเข้าไปอันนี้ก็มีบ้างขณะมันก็เป็นแต่ตัวมันตัวไอ้นั้นจริง จิตไม่มีอะไรเป็นหลักเลยแนละ้วมันจะเป็นพืชเป็นพืชข้ามันเลยแยกไม่ออกแสบอีแล้วแสบอีแล้วแสบอีแล้วอ๋อหมดทุกอย่างอริ อ, ร, อร่อยแหมถูกอกถูกใจดูของชอบและก็ดูของไม่ชอบดูล่อดูเจ้าตัญหานมันออกไปกินไปกินเหยื่อของมันยินดีมาก ตัหายินร้ายมันก็ตันหาใช้เฉยด้วยสติด้วยสัมผัสัญญาด้วยความอยู่เป็นกลา ง, ลางวินิจฉัยไขย่ครูนตรองปลงแล้วก็ปล่อยวิธีการฝึกวิธีการซ้อมฝึกซ้อมหัดฝึกซ้อมกันเท่าไว้นี่ก็เพิ่มเเดียวพรุ่งนี้ก็ออกภารษาแล้ว บอกภาษาแล้วผู้จะอยู่ก็อยู่ผู้จะสึกก็สึกแต่ใครจะอยู่ก็ตามใครจะสึกก็ตามอย่าให้เดือดร้อนถึงเราสึกเราก็สึกไปแต่ตอนอยู่เราต้องฝึกต้องอบรมเราจะอยู่มากจะ อ, อยู่นอยเออเราอยู่มากเราอยู่ไปยาวนานเราไม่ต้องไปรีบเร่งไปรีบบวนนี่ก็ผิดอยู่ไปวันๆสุกหวัว อยู่กับนุ่นเล่นกับอันนี้เพลินไปวันๆได้อะไรกาช่างไม่ได้อะไรกาช่างนี่ก็ใช้ไม่ได้สังการร่างกายร่วงไปร่วงไปร่วงไปเก็บให้ได้ป่วยเดี๋ยวนุ่นมาเกาะเดี๋ยวนี้มาเกาะเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวคนนั้นมาเรง่งเกาะคนนั้นเบาหวานเกาะความดันเกาะเส้นโลหิตแตกในสมองอีกแล้วเอาไม่ทันไปแล้วแน่ ชีวิตของเรามันอยู่ยากชีวิตของเราเนี่ยน้อยนะชีวิตของเราเนี่ยอยู่ยากอยู่ด้วยโรคด้วยภัยอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกอืเวลาตายจริงๆมันไม่หายใจออกมันไม่หายใจเข้านะเวลาจะตายจริงๆมันไม่หายใจเข้าเพราะปอดมันมันจะหยุดทําำทํางานแล้ว อ, อมันหายใจออกจากหายใจเป็นปกติธรรมดาเป็นหายใจหมาเป็นหายใจแมวเคยสังเกตหมามันหายใจไหมมันหายใจที่กว่าเรานะแล้วเคยสังเกตเห็นแมวหายใจไหม น, า น, า น, านั่นนั่นเวลาจะสุดเหมือนแมวหายใจเลยครับเราเคยดูแล้ว เวลาคนชิ้นลมอ่ะชิ้นลมไม่ใช่ลมเข้านะลมออกมือคือลมเข้ามันเข้าไม่ได้มันมีแต่ออกกึ๊บน้ําลายฟูออกมาอ่ามันดันออกมามันเข้าไม่ได้มันมีแต่ดันออกมาเพราะฉะนั้นเราเราว่าหายใจเข้าไม่ออกก็ตายหายใจออกไม่เข้าก็ตายมันไม่หายใจเข้าหรอกเวลาจะตายจริงมันหายใจออก น้ำลายฟูมาแล้วตาเหลือกตาลานตาอะไต้องได้ปิดต้องได้อะไรกันแล้วหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ไม่ออกก็ตายมันไม่หายใจเข้าเดอะตายอ่ะมันหายใจออกทีแรกหายใจเป็นปกติเหมือนเราหายใจเป็นปกติหละต่อมาเวลามันสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปสั้นเข้าไปคือปอดมันทำงานหดลงหดลงหดลงหดลงหดลงหดลงก๊ก หายใจหมาแล้วก็หายใจแมวไปดูไปสังเกตดูนะแมวกับหมาได้มาหายใจทีกันไหมแมวอ่ะไปสังเกตดูไวชัดก็แล้วกันเน่ะแม่หายใจที่กว่าหมาหรือเปล่าหรือหมาหมาหายใจที่กว่าแมวใครไปนักเลี้ยงหมาไปสังเกตดูเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ปกติไหมมันไม่ปกติ เราไปทิ้งโอกาสที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐกับชีวิตจใจของเราด้วยความประมาทนี่งนอนใจอย่างนั้นไม่ได้เสียเสียข้าวเสียน้ํานึกถึงข้าวนึกถึงบุญคุณน้ําข้าวด้วยกินไปแล้วเอาไปถลุงทิ้งกินไปแล้วเอาไปถลุงทิ้งอย่างน้อยไปเดินยังกรมไปนั่งภาวนาไปพิจารณาให้ได้อัดได้ทําได้บทนั้นได้บทนี้ได้อะไรขึ้นมานใหมนหัวใจของเรา มันเกิดประโยชน์อย่าไปหมกห ม, มกตัวแบบอะไรไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแบบใช้ชีวิตแบบไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าไม่สมภาคสงคุ้มความเป็นมนุษย์ทำดีมากทำดีน้อยทำดีด้วย หยิบด้วยจับด้วยยกด้วยนู่นด้วยนี้ด้วยอะไรทำมากทำน้อยทำละเอียดทำลึกทำอะไรทำไปเลยแต่ความเรวอย่าไปทำความไม่ดีอย่าไปทำนิสัยที่ไม่รากไม่เรียบนิสัยดื้อสังเกตได้เราจับได้เราพยายาม ะราพยายามปล่อยเราพยายามวางเพราะคนเรามันมีนิสัยมันมีอุปนิสัยดั้งเดิมมานิสัยอุปนิสัยเหล่านี้มันติดตัวมาจากความโน้มเอียงของจิตของเราจิตของเราที่มันแตกต่างกันเพราะความโน้มเอียงของจิตมันไม่เหมือนกันโน้มเอียงเกี่ยวกับเรื่องความโลภมันก็มันก็มีแต่นิสัยโลภความโลภเต็มตัว น้อมเอียงไปเพื่อความโกรธขัดใจเนี่ยน้อมเอียงไปเรื่อยน้อมเอียงไปเรื่อยน้อมเียงไปกลายเป็นนิสัยโกรธเนี่ยโทสะเขาเรียกโทสะโทสะความโกรธความร้ายกาโทสะเจริตพยัญโทเพรา ะ, ะ, ะเจริพยัญเจริตคนมันถึ ง, ม, งมีชอบสวยชอบงามชอบสวยชอบงามชอบอ้อยอิงมีคราคา ราคะจริตโทสะจริตน้อมเอยียงไปเกี่ยวกับความขัดใจความโกรธฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมของผานกี่ิยากายกิริยาวิจารโทรสะจริตโลภจริตขี้โลภจริตคือนน้อมเอยียงไปเป็นอะไรมันเป็นนิสัยเอาเอานั้นมาเป็นนิสัย แต่มันจะเป็นนิสัยราคาจริตทอสะจิตโมหะจริตอะไรจริตก็ตามมันคือกิเลสนั่นแหละพุทธทิจิตเนี่ยชอบนึกชอบคิดชอบใครครวนบางทีก็เลยเถิดไปก็เป็นเป็นเรื่องเสียหายไมายว่าผิดทางแต่ถ้าถูกทางนี่ดีเยี่ยมที่จะจัดจริตเอาไว้นะ คนเราไม่จริตไม่เหมือนกันมีจิตตกต่างกันนี่เราพูดถึงว่าจิตของคนเรามันเกิดขึ้นจากความโน้มเอียงของจิตจิตมันโน้มเอียงมันอยู่ใกล้อะไรมันโน้มเอียงไปกันฉะนี้อย่างเราอยู่กับคนดีดีจิตใจนิ่มนวลอ่อนโยนดีดีพอไปคบกับคนที่ไม่ค่อยดีนิสัยแข็งนิสัยกระด้างผงผางนู่นนี่สักหน่อยเดี๋ยวเอาตามกันล่ะ คือมันไปอยู่ใกล้อะไรมันโนเอียงไปกันนั้นเพราะงั้นจิตจึงได้ชื่อว่ามโนมโนมโนมณะมณะะะแปลว่าน้อมใจของคนเราเนี่ยมันน้อมไปดูเราสังเกต ด, ดูดิอันนี้เป็นคําพูดแต่เวลาเราดูเราดูของจริงที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราเราดูเราศึกษาเรื่องเหล่านี้เรารู้บางเข้าใจบ้างจะเป็นเรื่องที่ดีจะเป็นสิ่งที่ดี เราจะเห็นว่าเราอยู่ไปวันๆมันมีคุณค่าในหัวใจของเราอะไรจะมีคุณค่าเท่ากับเราเข้าใจเรื่องอะเรถามไม่มีเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะปลุกตัวเองให้ตื่นกับน้นกับนี้ทำให้จิตของเราสูงขึ้นเด่นขึ้นละเอียดขึ้นกระเนิดขึ้น ดีขึ้นดีขึ้นกับไดีลงกับเลวลงเนี่ยเราดูที่มันต่างกันขนาดไหนสิ่งที่ตามมาผลของมันมันต่างขนาดไหนกิริยาอาการเหล่านี้เราก็น้อมไปเพื่อการทํามะอินเราได้ทั้ ง, งหมดทั้งนั้นแหละความขยันมันเปลี่ยนความกุาหลกุศลความตั้งอกตั้งใจความพยายาม เพสร้างเน้อสร้างตัวสร้างอะไรเพราะฉะนั้นคดีโลกมันก็ได้ประโยชน์คดีธรรมมันก็ได้ประโยชน์บางทีเราไปศึกษาแต่คดีโลกอย่างเดียวมันเข้าไม่ถึงธรรมแต่ถ้าเราศึกษาเรื่องคดีของธรรมเนี่ยคดีของโลกเนี่ยมันก็มาอย่างไหนมาจากโลกมาจากโกรธมาจากหลงมันก็โคโลในจิตของเราก็มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราเจาะหมายตรงที่เป็นเรื่องของธรรมคดีของธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะว่าศึกษาแค่จุดประกายเล็กๆตัวเดียวเนี่ยสวา่างสวัยโลกวิทูโลกวิทูมันจุดประกายไปจากจุดจุดเดียวจุดธรรมะแต่ฌานทะลุผุโปรปงไปหมดแบบไม่สงสัยโลกแบบไม่สงสัยโลก แต่ถ้าเราเรียนเรื่องเรื่องโลกอย่างเดียวไม่ถึงธรรมนะไม่ถึงธรรมแต่ถ้าเรียนเรื่องธรรมอย่างเดียวเนี่ยทะลุถึงโลกอ่านออกหมดอ่านอ่านเลยแหละดูกิริยากายดูกิริยาคําพูดดูกิริยาของการของงานของอะไรอะไรเนี่ยอ่านออกอ่านออกหมด อ่าพวกเราทราบแล้วตัง้งบทตั้งใจนะเอาไว้ต้งบทตั้งใจเอาไว้ความดีเราทำได้หาได้ทุกระยะทุกเวลามันไม่ใช่มีเฉพาะในภาษาออกภาษาแล้วก็มีเหมือนกันหมดแต่ถ้าคนสนใจในภาษาหนอกภาษาดีเท่านั้นอุตสาพยายามแขวยเหรี ย, ยมันเกี่ยนเอาเท่านั้นเพราะอะไรผลได้ได้เป็นเรื่องของเรา ผลได้ๆเป็ของเราทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าคนไม่สนใจก็ทําเอาหน้าเอาตาไปอย่างนั้นเองเ อ, เอง๊ะเอาตาก็เอาฮาฮ่าฮาหน้าตาไม่ต้องไปเอามันดอกมันมีอยู่แล้วหน้าก็มีอยู่แล้วตาก็มีอยู่แล้วจะเอาสักกีตาจเจ้าสักกีหน้าดู ให้เห็นข้อเท็จจริงกับตัวเรามันจะไม่เป็นการหลอกเราม่ั้มันหลอกดูให้ดีพวกนี้ในครัวก็อาหารขึ้นสลาได้พวกนี้ะเราจะเอาแต่ข้างนอกไม่เอาบนสลาก็ได้ ดีเอาข้างนอกไปแล้วก็ไปเอาบนสลาอีกก็ได้ก็วันเข้าวรรษาวันออกวรรษาเราถือว่าเราขบฉันตามปกติรับอาหารบนสลาแต่ระยะโจทระยะในวรรษาทั้งหมดพราเราก็รับอาหารข้างนอกอันนี้ก็เป็นเจตนาที่เราตั้งเอาไว้เป็นทดลงอย่างหนึ่ง ถึงขก็ตามบางคนก็ถือได้อย่างอ่อนๆบางคนก็ถือได้อย่างอกกริคําว่าอกกริบก็คือถือได้อย่างยิ่งมีอย่างย่อนอย่างกลางอย่างยิ่งสิ่งมันี้ก็เป็นเครื่อง ส, องส่สงเสริมส่งเสริมสัจจใจในใจของเรา สัจจะในใจของเราเราควรส่งเสริมสัจจะสัจจะในการตั้งใจ mm hmm. ก็พุทธเจะมารู้ข้อสัจจะนี่แหละกหมือนอย่างที่เราพูดถึงเก็บถึงป่วนั่นแหละ mm hmm. เราตั้งสัจจะไว้ไม่รู้ไม่เห็นไม่จริงไม่จังไม่อะไรเราจะไม่ลุกเหมือนอย่างพุทธเจ้าท่านตั้งอเราเด็ดขนาดนั้นเราก็ตั้งเอา ตังสัจจะเพื่อจะได้รู้จักสัจจะจะได้ยอมรับสัจจะแล้วเห็นที่เราไม่ยอมรับสัจจะนั่นแหละเราถึงแบกกองทุกข์แต่ถ้าใจมันยอมรับสัจจะโอ้ความจริงความเป็นของมันตามภาวะของมันใจมันยอมรับมันไม่แบกไม่หามันก็ปลงมัก็ปล่อยตามเรื่องของมันความทุกข์ในหัวใจมันก็ไม่มีนั่นคือผล ตรงสุตของการตั้งใจปฏิบัติธรรมที่เราควรจะจะได้จะมีสุขลงมาที่พื้นเพรียงจิตนิสัยน้องใจของเราฉลาดไม่อมทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์วันไหนก็อมทุกข์วันนั้นก็อมทุกข์วันนี้ก็อมทุกข์ไ ม, ม่รู้จักปลดเปลือ้องทุกข์รมก็มนตีตันอันตู้อยู่นี่แหละ ศึกษาได้ยินได้ฟังได้นู่นได้นี่แต่เราไม่เคยสนใจตั้งใจทำจริงจังมันไม่ส่งผลให้เราพอที่จะรู้จะเห็นอะไรเป็นเครื่ อ, ตองตอบแทนอ่าวันนี้เอาแ น, นี้ <c oughs>